กราบดมาสุการหลวงพ่อและอาจารย์มงคลคะ่ะแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนกริยายลามีทุกท่านแล้วก็น้องใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้นะคะก็ขอรับต้อนรับเป็นน้องใหม่แล้วกันนะคะคิดว่าจะได้เจอกันเดือนห้า <c oughs> <c oughs> ได้เจอพี่ด้วยคือว่ า, าปฏิบัติการหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วอย่างที่ว่ า, าพี่เป็นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจมากเอแล้วก็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 เราก็เลยไปหาหลวงพ่อแล้วก็ไปเข้าคอร์สอบรมตอนแรกสวันก่อนหลังจากนั้นก็เจดวันไอตอนเจวันเนี้ยมันจะได้ความรู้สึกตัวทําต้องห้าหกวันจะไปรู้สึกตัวอยู่วันเดียวชัดๆคือวันที่เจ็ดวันนั้นจะเป็นวันที่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบนันคือเห็นแต่เรานั่งยกมือ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 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกเ็เห็นความสําคัญเพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของเรื่องการงานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการงานของพี่เนี่ยอตอนนี้เขาจ้างไปทํางานเนี่ยเขาให้ดูแลคัดการเงินอย่างเดียวทําไปทํามาเขาบอกอายูดูด้านบุคคลด้วยพอทําไปทํามาอ้าวอยู่ดูเรื่องไอทีด้วยสิเราบอกหาไอที IT, ฉันไม่รู้เรื่องเลยขนาดหลวงพ่อให้ไปหา MPT ยังหาไม่เจอเพราะว่าได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้จัก เราก็สามารถที่จะ manage มันได้กับคนในผแผนก60คนสามารถที่จะควบคุมไอทีได้ดวยการเงินด้วยการบุคคลด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวตั้งแต่ยกมือสร้างจังหวะของพ่อเทียนเนี่ยทําให้ความคิดของเรามันเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วรู้จักว่าอันไหนคนทําก่อนทําหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจัดระเบียบของมันเองเลยแล้วก็การทํางานก็ไม่ค่อยมีทุกมีเดี๋ยวคนมาเล่าทุกข์ให้ฟังเพราะอยู่ฝ่ายบุคคลพเพื่อนๆก็อชอบมาพเพื่อนๆเรียก ว, ว่าแพทย Do you have time? บอกทำไมหรอ I need to talk. ครับ Okay. ก็เดินออกไปกเามาจะคุยหาเรื่องคุณแล้วคือการฝึกวิธีการนี้เนี่ยมีความสว่า ตัวเองเป็นคนที่มีจิตวิทยาที่ดีเราจะพอเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจคนอื่นเพราะเราเข้าใจถ้า พ, พูดง่ายๆคือตอนแรกปฏิบัติเราจะเห็นแค่กายกับใจปฏิบัติไปปฏิบัติมาจะเห็นเป็นรูปน้ํา <c> ม <oughs> แต่เราก็จะอธิบายให้เพื่อนฟังใลักษณะของกายกับใจเพื่อนเนี่ยเป็นฝรั่งเราอธิบายเขาฟังง่ายๆว่าบอดี้แอนด์ไมล์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจเขาก็แบบ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 เรียกได้ว่าออสองวันนี้นี่เป็นกาปรปฏิบัติที่สบายๆไม่รู้สึกเบื่อแลปะปฏิบัติได้ทั้งวันสามารถที่จะปรับสมดุลหลวงพ่อจะสอนให้รู้จักปรับสมดุลของความสบายและไม่สบายก็ทำให้ใจเรามันสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ทุกอริยาบทจะอยู่ในห้องนี้หรืออยู่ข้างนอกความรู้สึกก็เหมือนเๆกันนะหลวงพ่อ